ขึ้นขนจะตกหนักคว่าจะร้องโลกนี้จะแตกจักรวาลจะล่มสลายคว้าผ่าคนตายระเบิดลงอะไรอย่างนี้อย่างเดียวคือคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องอย่างอื่นคิดถึงพระพุทธเจ้าแลยเอาประธรรมที่พระพุทธเจ้าที่เราเอ า, เอามาปฏิบัตินั่นแหละ พอแก้ okay, ปัญหาในทันทีทันใดเราคิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้วนตกขนาดนี้เรื่องเล็กมากเรื่องเล็กมากพระพุทธเจ้าตอนทีจ่จะรู้ใหม่ๆวนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ลืมหูเลืมตาเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนพระยานาคพระยานาคกมพัน ไม่ใ่ไม่ใใ่ปันเป็นที่นั่งนะเป็นที่นั่งก็ส่วนหนึ่งนอกนั้นก็พันพระวรากายของพระองค์นะเพราะพระองค์หนาวมากปันพระวรากายแล้วก็ฟังผานก็แผ่บนสีสาแล้ววนก็ยังมาได้นั่นแหละแต่ว่าพยายามหน้ากให้ความอบอุ่นกับพระพุทธเจ้า เนี่ยเราต้องคิดดูดีว่าให้เราลาบากขนาดนี้ขนาดนี้เจ็บจ้อยมากนิดเดียวน้ําตํานิดเดียวกลัวตายแล้วเนี่ยนิดเดียวไม่ต้องกลัวต้องอย่างนั้นนี่แหละมันทําร้ายร่างกายได้แต่เราก็ไม่เครื่องป้องกันในด้านจิตใจ มีพระพุทธเจ้าวไว้ภายในนี่มีพระพุทธเจ้าว่า่นั่นเราไม่มีอะไรกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพอแค่นั้นก็พอแล้วทีนี้ถ้าเรามากไ้กว่านั้นเอาคุณธรรมเอาว่างว่างว่างวงวางว่างวเวลาจะตายขึ้นมาว่างอย่างเดียวแต่ต้องเข้าใจปฏิบัติให้เข้าใจในตอนนี้ว่าง แบบว่าดูลักษณะลักษณะของสิ่งทั้งปวงะตอนที่เราเป็นๆอยู่นี่แหละสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนจะเอามาปนกันภาษาคนกับภาษาธรรมภาษาคนว่างคือไม่มีคนเลยที่ตรงนี้ไม่มีใครนั่งนั่นภาษาคนแต่ภาษาธรรมนี่ว่างทุกอย่างหลอย เพราะมันว่างจากตัวตนทุกอย่างมันไหลเพราะมันว่างจากตัวตนไม่มีอะไรหยุดนิ่งสักอย่างหนึ่งว่างโดยลักษณะสีสันของมันก็ว่างตัวตนของมันก็ว่างผิวเและมันก็ว่างมันว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างนั่งดูดูว่าอะไรมันไหลยังไงเนี่ยมันว่างดังนั้นมันว่างจากตัวตนดังนั้นนี่ว่างโดยลักษณะ สิ่งตังปวงว่างแต่นี่ว่างอีกอย่างหนึ่งจิตว่างจิตไม่เข้าไปยึดมั่นจิตว่าจิตนี่มีตัวตนนี่ที่เราสอนๆกันเนี่ยมุ่งไปที่จิตว่างจิตว่างจากตัวตนไม่มีสีไม่มีสันไม่ไม่มีแสงจับต้องไม่ได้ไม่เปลืองเนื้อที่แต่ไม่ไวยที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าจิตนี้เป็นตัวกู นั่นคือโมหะความโง่ความหลงมันเลยไม่ว่างฉะนั้นพอเราศึกษาว่าสิ่งตั้งปวงว่างแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในคือจิตว่างว่างว่าอย่าไปยึดมัน่นถือมันอะไรเลยอเจอเพื่อนสามปีแล้วมาเจอครั้งหนึ่งโอ้หลูจุดโฉมมากแก่ลงไปมาก เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าต้องเอาใจเพื่อนโอ้ดูสดใสเหลือเกินเนี่ยเขาก็ดีใจกันมาแล้วใครสดใสไอ้ที่สดใสพอเราบอกโอ้ดูสดใสเหลือเกินจิตดวงเดิมเนี่ยตาเราไปว่าโอ้ยลงแก่ลงตั้งเยอะน่ะเขาก็วู้ลงไปเลยพอเราพูดว่าโอ้ดูสดใสเหลือเกินสดใสกว่าเดิมอีก น่าชื้นตาบานขึ้นมาทันทีนี่แหละจิตทางนั้นเลยจิตทางนั้นใครจะว่าตดใัยใครก่าว่าสกรปรกหรือว่าปลอมเหลืองอะไรอย่างนี้แล้วก็ปกติจิตนี้ว่างเอาว่ า, วาอย่าไปเอาอะไรทางนั้นตั้งขึ้นทั้งลงมันไม่ใช่ทางนั้นเลยเราไม่เอาอะไรทางนั้นเลยนี่เกิดจิตว่างฉะนั้นจิตว่างนี่เราทํางานก็ทํางานด้วยจิตว่างแต่กูทําเล้วมันเหนื่อย เหงื่อแตกอ่างนั้นอย่างนี้เจ็บมือเจ็บน้ําตําเท้านี่กูทางนั้นน่ะกูกูกูตาทางนั้นน่ะแต่ถ้าน้ําตําเท้าใช่พระพุทธเจ้าเรามีรองเท้าที่ไหนเนี่ยกูเป็นอะไรเนี่ยกูเป็นโง่ไม่ใช่เป็นอะไรกูเป็นโง่เพราะเอาแต่ความโง่แล้วมาเป็นที่พึ่งไม่ได้ความโง่นั้นนี่ พระพุทธเจ้านี่ยอดของคนยอดของคนยอดของมนุษย์พระพุทธเจ้าฉะนั้นเราจะต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งลองแก้ปัญหาทุกอย่างทีนี้ถ้าเราไปตก อ, อกตกจใจอะไรสติจะตั้งก็หายหมดแต่ไม่มีสติแล้วจะดึงปัญญามาใช้ได้ยังไงเห้ถ้าจิตของเราว่าง ทำงานด้วยจิตว่างกินด้วยจิตว่างถ่ายด้วยจิตว่างนอนด้วยจิตว่างเดินด้วยจิตว uh> ่างก็ภาวนาไปได้เรื่อยทิ้ว่างว่างว่างว่างต่อไปมันข้าวเนื้อข้าวตัวมันเป็นจิตใจที่เฉลาดจิตว่างนัจิตที่เฉลาดตายก็จิตว่างเลยไม่เอามันแต่จิตมันไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวตนมันตายได้ที่ไหน นี่เรามีความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักทำจิตว่างรวยก็จิตว่างจนก็จิตว่างจิตว่างทั้งนั้นม่ได้จิตว่างทั้งนั้นว่างจากความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์มันก็ไม่เกิดว่างนะคือจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าจิตเองนะไม่มีตัวตนจิตเองนะว่างจากกลัวตนนาน นั่นที่สุดของการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนั้นติดเองไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีกระเทยไม่มีตุ๊ดไม่มีเต๋อเราเห็นโอ้น่าสงสารพวกนี้มันหลงเห็นมันหลงความหลงทั้งนั้นเนี่ยทีนี้เราเกิดมาจะอยู่กับความหลงหรือว่าจะอยู่กับความว่างถ้าอยู่กับความว่างเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้กลิ่นสิ่งที่ลิ้มลิมรสสิ่งที่มาสัมผัสผิวกายของเราเราไม่ยึดมั่นถือมั่นทางนั้นเลยเป็นผู้หญิงนี่ส่วนมากเราจะใช้ไอ้เครื่องประตินผิวต่างๆก็เอาน้ําหอมน้ําอบมาปรมปรมปรมโอ้กูเอาน้ําหอมมาปรมผีอีกแล้วเนี่ยเพราะมันเหม็นนี่ถ้ามันหอมมันปลมมันทาไว้กรบกลิ่นกรบกลิ่นเห็นไหม ทีนี้คนที่ไม่กรบกลิ่นแล้วก็ทำความสะอาดมาเห็นมันเป็นอะไรนี่ทีนี้นี่พอกรบกลิ่นนะโอ้ไอ้กูหอมนั่นแหละผีหอมไม่ใช่กูหอมผีหอมผีสดเราทุกคนที่ยังไม่ตายเนี่ยยังเป็นผีสดพอตายแล้วก็เป็นผีเน้าผีเหม็นผีแห้งเนี่ยพอตายแล้วนี่เราต้องเห็นไปอย่างนั้นแล้วจิตต้องอยู่กับความว่าง จิตต้องอยู่กับโลกว่างโลกที่ว่างนี่ถ้าจิตเราไม่ว่างเหมือนที่พูดเมื่อวานนะั่นแหละถ้าเราโลภทีหนึ่งโกรธทีหนึ่งหลงทีหนึ่งยักษ์น่นมันมาเอาโลกนี้ไว้ในมือของมันไว้ในกำมือแล้วมันก็บีบเราก็คือบีบหัวใจเราเนะี่ยบีบหัวใจเราเรามีความทุกข์ ก็เ ร, เราข้าไปยึดมันถือมันท้ากับยักษ์ตัวโตๆมาจาับหัวใจของเราบีบแต่ถ้าเรามีความว่างตาจิตของเรามีความว่างเราอยู่กับความว่างมานาจิตของเราไม่พบแล้วมันจะบีบได้ยังไงนี่นี่มันบีบคนทั้งโลกคนที่รวยยึดมั่นถือมันเป็นทุกข์ คนที่จนยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ถูกบีบทั้งนั้นเลยอถูกนางยักษ์มาบีบบีหัวใจของเราแต่ถ้าจิตใจของเรานี่มันว่างจากความยึดมั่นถือมัน่นเอาบีบไปเลยบีบไปเลยเพราะกูไม่มีใจแล้วอะไรไม่มีใจแล้วไม่มีจิตแล้วมันว่างแล้วเลิกความยึดมั่นถือมั่นแล้วความทุกข์มันก็เกิดไม่ได้อะนี้ นี่เราเป็นทุกทีหนึ่งบอกตัวเองว่านี่ยักมาบีปัวยใจเราอีกแล้วหน้าเขียวหน้าดําอีกแล้วเป็นประสาตอีกแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทุกนอนไม่หลับกินไม่ได้นานยักมันบีบบีบบีบบีบไม่ยอมวางเลยไม่ยอมวางแต่ถ้าเราปล่อยว่าจิตนี้ไม่ใจกู้นี่จิตนี้ไม่ใช่กู้จิตนี้เลิ ก, กยึดมั่นถือมันสิ่งทั้งหมด มีลูกมีสามีมีภรรยามีเงินมีทองมีพ่อมีแม่มีเพื่อนเป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ทุกทางนั้นนางยักษ์ตัวนั้นนี่ยมันบีบบีบหัวใจเราทีนี้เรามีสติให้โวยให้ทันให้ทันโปเกิดไม่สบายใจกันมาเอกโดนบีบอีกแล้ว เดินบีบแรงแล้วนันยักนั้นมันบีบหัวใจเราอีกแล้วนี่ยพอบีบหัวใจมันก็จบไเนี่ยตายถ้ากับว่าตายทีหนึ่งอพอมันปล่อยขึ้นมาก็กดุ ก, กระดิกขึ้นมาอีกพอยึดมันถือมันดน ก, ก็นเอาอีกทีนี้คนที่เป็นพ่อแม่มีลูกมีเต้าอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ก็อนอนถูกบีบอยู่จับถึงเงินทองมีก็ยึดมันถือมันก็นอนถูกบีบอยู่ มีได้ถูกบีบถูกบีบถูกบีบอย่างนั้นถูกบีบอย่างนั้นหัวใจนี่คือหัวใจนี่มันเป็นเราเรียวกว่าถ้าในภาษาชาวบ้านก็คือเป็นเป็นจุดเซ็นเตอร์ทีนี้ตามที่จริงเรากดแยกกันอย่างเราแยกกันไอ้สมองไอ้สมองก็สมองไปแต่ใจนี่คือความรู้สึกมันมากกว่าสมองอีก ต, ตัวใจหรือตัวจิตนี่คือตัวความรู้สึกถ้าความรู้สึกนี่ไปยึดมั่นหือมันว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูโดนบีบทันทีนี่ฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าการทำการทำงานเนี่ยมันจะยากมาจากง่ายอะไรตายก่อนมันตายไปเราตึงขนาดนั้นเราไม่กลัวไม่กลัวเลยทางนั้นแล้วพอเราไม่กลัวนี้เราจะแก้ปัญหาได้ถ้าเรากลัวแก้ไม่ได้ แก้ปัญหาไม่ได้เลยนี่เวลามันมีปัญหาคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนพอคิดถึงพ ร, พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะมาปลดเราเองพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนก็คือตัวปัญญาที่เราปฏิบัตินั่นแหละที่เราปฏิบัติธรรมนั่นก็ปัญญาเึ้นมาให้เราเนี่ยออพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่เราว่าพุทธังสระนังกัจฉามินั่นแหละอย่าไปมองข้าม เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งไม่ใช่ว่าแต่ปากว่าแต่ปากไม่มีทางที่จะสําเร็ จ, จาการนั้นเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราปฏิบัติมาไว้ที่จิตของเราแห้พระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราทีนี้เนี่ยเห็นไหมาการนั้นพุทโธธรมโมฉังโข พระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งเอาพระอริยสงฆ์มาเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งได้ยังไงอะตาร่างกายพระพุทธเจ้าก็มีอาการสามสิบสองไม่ใช่สามสิบห้าสี่สิบเราก็สามสิบสองนีเท่ากันหมดแต่ว่าปัญญาไม่เท่ากันเพราะเราโงา่เราจึงไม่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราฉลาดเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าและความฉลาดนั้น เราก็ก่อโกยมาจากการปฏิบัติเกิดประธรรมให้เราเอามาช่วยมาช่วยตัวเองมาช่วยผู้อื่นนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอาโอพุทธโธพระพุทธเจ้านะ่ะอัจฉร์จริงอาโธรรมโมพระธรรมเจ้านะ่ะอัจฉรย์จริงอาโอสังโฆพระสงฆ์เจ้าน่ะอัจฉรย์จริงอัจฉริ์ที่ตรงไหน อ, อัจฉรย์ที่ปฏิบัติแล้วเอามาดับทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ นี่อาตจันที่ตรงนั้นที่นี้ถ้าเด็กทารกอ่ะจะเอามาทํำยังไงอะ่ะเวลาเกิดกลัวขึ้นมาอะไรขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเน่เห็นไหมของพ่อตอนเด็กๆกเลี้ยงวัวพ่อหลวงพ่อเป็นชาวนาเนี่ยจะไม่เลี้ยงวัวได้ยังไงเลี้ยงวัวเป็นขูงขนตกนักเลี้ยงวัวไปเลี้ยงเลยก็ต้องดูกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลางทุ่งอ่ะ ขนก็ตกหนักคว้าก็่าเปลี่ยงปร่าเปรี่ยงปร่าตายแน่ตายแน่ทีเดียวนี้ตายแน่โอ้คว้าผ่าต้นตาลลุกโปรงโรงโรงโรงโรงโอ้ยกลับบ้านโอ้ยกลับบ้านไม่เอาแล้วไม่เอาทำยังไทีนี้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกลับบ้านพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวเเดียวค่อยผ่าค่อยผ่าก่อนตาตายก่อไปถึงบ้านก่อนนี่เด็กเด็ก เด็กเด็กเห็นมาพุโทโตพุโทโตพุโทโตพุโทพโตเขาเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่เขาเกิดมาอย่างนี้นี่อ่ไอ้นี่มีเด็กสองค น, นเด็กก็ประมาณสิบขวบไม่ถึง่ยมันออกไปนอกเมืองก่อนนะในประเทศอินเดียนะทนี้เมืองมันก็มีกำแพงล้อมรอบเป็นยังไงพอออกไปนอกเมืองที่ติ้งซากศพทั้งนั้นเลยอที่นอกเมืองเนี่ยก็ไม่เผา ในประเทศอินเดียนะออกไปเทิร์นไห้เทิร์นไห้เทินไว้อย่างนั้นเนี่ยตายแล้วออก็ไปเทินไว้อีแร้งอีกาก็มากินทีนี้เด็กท้องคนนั้นออกไปนอกเมืองพอถึงเวลาหกโมงเข ก, ก็ปิดประตูเมืองก็กางเติยงอยู่กลางนอกทีนึงเพราะว่าศพศพอะไวก็เกลื่อนกลาดไว้พวกกระดูกพวกอะไรที่เหลือจากอีแร้งมันกินนะ่ะเด็กท้องคน คนหนึ่งก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าคนหนึ่งก็เป็นเด็กนอกศาสนาถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพวกนู้นก็นอนกันก็นอนเดี๋ยวปีก็มาดึงหัวเดี๋ยวปีก็มาดึงเท้าเด็กเด็กที่เป็นพุทธก็นนอนน่าโมน่าโมน่าโมน่าโมน่าโม่คือนอนพุทโตพุทโตพุทโตพุทโตไอ้คนนี้นอนหลับสบายแต่อคนนู้น นอนไม่หลับเลยผีดึงหัวดึงเท้าดึงหัวดึงเท้าอยู่นั้นนี่ฉะนั้นเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้ามีปัญหาอะไรขก้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ก่อนให้เราก็จะได้แก้ปัญหาได้เราก็พุทโธเอาไว้ไม่มีอะไรก็พุทโธเอาไว้แต่ถ้าเราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเราปฏิบัติก็ว่างว่างว่งวงงวงวงนี่รถชนขาขาศแล้วยังไม่ตายว่างว่างว่างวางเอาไว้ว่างเอาไว้ ว่างให้ชนะความเจ็บเลยใ ห, ให้ชนะเวทนาอะไรนะทุกขเวทนาชนะเลยแล้วมันก็ตายด้วยความที่ว่าไม่หลงตายด้วยจิตก็ออกจากกายจิตออกจากกายตั้งแต่กายนั้นยังไม่ดับแต่จิตดับก่อนจิตว่างจิตว่างจิตว่างคืเราไม่เข้าไปยึดมัน่นถือมันจิตว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกู แล้วจิตว่างก็คือจิตดับนั่นแหละจิตว่างคือจิตดับจิตไม่ยึดมัน่นถือมันจิตว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่ก็คนนั้นก็ไม่ต้องตายเป็นพระรันในทันทีทันใดนั้นพระเทเระรูปหนึ่งท่านก็ไปบําเพ็ญสมณธรรมในป่านอนนอนอยู่มันก็คาบกลืนตั้งแต่ปลายเท้ากลื่นก้าวมากลื่นก้าวมากลื่นก้ามา การก็ว่างว่างว่างว่างวางวางปุ๊บรู้ว่าโอ้จิตไม่ใช่กูจริงๆปล่อยเลยพอปล่อยจิตแล้วก็เป็นยังไงเงือกสุดท้ายงูก็กลืนเข้าไปอยู่ในท้องงูนี่พระอรหันต์ที่บำบัดเป็นสัมมาธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์ในปากงูเห็นไหมเป็นพระอรหันต์ในปากงูพระองค์นั้นนัะนนี่ เรต้องว่างเอาไว้ไม่ใช่ว่างไม่มีคือจิตที่ไม่ถูกยึดมั่นหรือมั่นเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ว่างากากลัวมันเองนี่ให้กล้าใจโอ้ยนั้นเวลาเราเจ็บไายได้ป่วยไม่ใช่นอ น, นี่กูทําไมมันเป็นอย่างนี้อมาเป็นมะเร็งทําไมไม่ไปเป็นที่คนอื่นออาเขดีแล้วมาเป็นที่กูนี่กูจะได้รีบปฏิบัติอืไม่ต้องไปกลัวแยก จิตออกจากกายแล้วจิตเป็นธรรมชาติไปเฉยเลยนี่ต้องอย่างนั้นนั่นคือนักปฏิบัติต้องอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นก็อะไรนิดก็ไม่ได้อะไรน้อยก็ไม่ได้เป็นทุกหมดน้ําตํานิดก็ไม่ได้นี่ไม่ได้เลยเอาไปจับมีดจับปรามือพองอูวว้ตายแล้วก็ตายแล้วกูอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นอย่าไปหวังเลยเราจะไปหวังจิตว่างไม่ได้อย่างนั้น พอเห็นมือปองอก็จกวัวมันไม่ใช่มือกูนี่แล้วพอเช้าขึ้นมาเป็นอย่างไงทำโต๊ะอีกทำโตอีกจับมีดจับปลาต่อต่อเสร็จแล้วก็อ๋อมันเป็นน้าําใสๆน้ำํำใสๆนั้นก็ต่อไปข้าวไปอยู่ในเนื้ออีกเนเป็นไงวันวันต่อไปแข็งทีนี้ในหนังเนี่ยมันจะแข็งเนี่ยมันก็ต่อสู้พอมันแข็งแล้วไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้ว มันเป็นอย่างนั้นเลยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันต่อสู้มันต่อสู้ได้ร่างกายนี่ก็ต่อสู้ได้แต่ตาจิตอ่อนไม่มีตางเดือกโตสู้ไม่ได้คนบ้านนอกของเมื่อก่อนมีรองเท้าที่หน่อยเดินจนกว่าเท้าแข็งอ้าวเราเดินไม่ได้ก็เห ย, ยียบลงไปไม่มีรองเท้าโอ้ยโอ้ยอนี่ไม่มีรองเท้าแต่ว่ากรุงเทพมันไม่ได้มันจกกระเนี่ย เมื่อก่อนอย่างที่บางดําปูแถวนั้นเนี่เวะเนี่ยไม่ได้เลยมีจกกระโปรงดินนีดําปิดปีจ่จกกระโปรงเหม็นเน่าครองหลอดอย่างนี้มีแต่น้ําเน่ามันก็จกกระปรงมันมาจากไหนก็มาจากคนน่หละไรอย่ะนั้นอะไรจกกระปรงก็จกกระปรงไปแต่จิตของเราจะต้องไม่จกกระโปรงให้จิตสะอาดหัวจิตสะอาด คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นละชั่วทําดีทําจิตให้สะอาดก็คือจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละจิตสะอาดละชั่วชั่วเราไม่ทําเราเว้นอยู่แล้วทําดีโอ้ก็ทําดีแล้วก็ดีใจมากได้โทษกรถินนะั่นแหละดีใจมากออกมาแบกอีกจ้างโบสไว้หลังเนะี่โบสกูโบสของกูของกูของกูนั่นะแบกก็มาแบกอีก ก็เลยหนักไม่รู้จักพอนี่ละชั่วทำดีทำดีแล้วต้องสลัดดีนั้นทิ้งอีกกูเก่งกูดีกูดังกูอะไรเนี่ยโอ้ยกูเก่งนี่ไปดูที่ทีพระตาลุงกูสร้างวัดขึ้นมามีถนนขึ้นวัดโอ้บ้าแล้วบ้าแล้วได้อย่างนั้นบ้าแล้วไปแบกถนนแลเห็นไหมต้องสลัดสลัดทิ้งอเราสร้างถนนทำไว้คนก็จะได้ มหาธรรมะก็จะได้สะดวกแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องมากมหาธรรมะเอาธรรมะไปปฏิบัติคนที่เขาพูดว่าอยไม่ไหวไม่ไหวขึ้นไม่ไหวเขาจะได้ไม่ต้องพูดแต่ถ้าคนจริงแล้วเขาจะไม่พูดว่าไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยธรรมะอยู่ที่ไหนก็ก็ไปถึงหมดอย่าว่าธรรมะเลยพระที่ที่อาธรรมเนี่ยพระที่ไหนบอกอวยเนี่ยรับรอง ไม่มีที่ให้นอนกลางพื้นดินมันก็นอนได้นี่เพราะว่าความโลภแต่นี่คนที่จริงในเรื่องของด้านธรรมะไอ้โูงกว่านี้มันก็ไปได้ปู่ข้อคิจกูนะขนณะมาโคตรนาโอใครขึ้นปู่ข้อคิจกูที่จังหวัดตราดแล้วกที่จังหวัดจนันท์เรียกว่าจุดยอดแล้วตรงนั้นจุดยอดอะไรจุดยอดโง่นี่มันก็หาเงินหาทองกันอะไรกันโคตรนาการนี่เขายังขึ้นไปได้ แต่นี่ไปหาธรรมะาเพื่อจัดตัวเองเออกมาปฏิบัติให้มันดับทุกข์ขึ้นไม่ไหวยขึ้นไม่หวมีแต่ไม่ไหวยอย่างเดียวอย่างนี้ก็ตายฟรีไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราต้องจริงต้องจริงอะไรต้องจริงเราไม่จริงไม่ได้นั่งก็จริงนอนก็จริงตายก็จริงอะไรก็จริงหมดถ้าเราสามารถที่จะชนะได้ชนะความไม่จริงได้นี่เนะี่ย จิตมันไม่ใช่ของจริงถ้าของจริงไงเราคว้าของมาดูดีแต่ละคนน่ะมันไม่มีมันว่างมันว่างจากจากอะไรอะว่างจากความเป็นตัวตนยึดมั่นถือมันมันไม่ได้แล้วจะไปอย่างอะไรมันก็จิตเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปอเมริกาปิ๊บเดี๋ยวมันไปแล้วจะไปญี่ปุ่นปิ๊บเดี๋ยวมันไปแล้วแต่ไปที่ไหนในโลกนี้มัน มันไปพริบเดียวพรึบเดียวพรึบเดียวเนี่ยจิตเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีปีก ม, ม, ม, มันไม่มีหางมันไม่มีหัวมันไม่มีเท้ามันไม่มีอะไรทางนั้นฉะนั้นเนี่มันเราออกเป็นก่อจิตโง่ก้อนี่เท้าของกูนี่มือของกูอะไรของกูหมดเราก็พูดภาษากลแต่ว่าภาษาธรรมะเนี่ยมันยึดถืออะไรไม่ได้เพราะอะไรลักษณะของมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เกี่ยวแรงมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผิวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผิวหนังมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนมันมีแต่เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งนั้นเลยไปดูดิไปดูที่เราปฏิบัติไปดูดิฉะนั้นเขาเลอให้ท่องเกจาโลมานากาตันตาตาโจตาโจทันตาหน้ากาโลมาเกจาเนี่ยพระเวลาบวชใหม่เกจาผมเลวโรมาขนหน้ากาเล็บตันตาควันตาโจหนังอ้าวคุณ เอาไปปฏิบัติเขาก็พูดแค่นั้นแล้วก็จบแล้วที่ก็สอนจบแล้วที่อุปจารสอนจบแล้วแต่เรายังไม่จบเกศาผมผมมันเปลี่ยนมันเปลี่นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ย น, ย น, ยนคนที่มีตัวตัวก็เปลี่ยนผมคนเล็บก็เปลี่ยนอ๋ขึ้นมาทุกวันทุกบวันไม่เชื่อคํารังเลยตัดกันเบื่อแล้วเนี่ย เล็บก็เปลี่ยนเกษาโลมาหน้ากาตันตากวนก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งนั้นเกษาโลมาหน้ากาตันตาตาโจแต่วถ้าอันนี้มันห้าอย่างถ้ารู้ห้าอย่างหรืรู้สักอย่างรู้หมดถ้ารู้สักอย่างหนึ่งอาการสามสิบสเกษาโลมาหน้ากาตันตาตาโจมังจังนารู้อติอติมินจังอาการสามสิบสองในธรรมวัตร เย็นนะดูอันนั้นมันเปลี่ยนทางนะจิตมั่นถึงมันอะไรไม่ได้สักอย่างฉะนั้นในจิตงโง่เนี่ยทิ้งไปเราปฏิบัติเพื่อจะทิ้งจิตงโง่สลัดคึืนมันไปไอธรรมชาติไปแคเราก็มีแต่พุทโธพุทโธมีปัญญาแล้วก็เอามาแก้ปัญหาของเราได้แต่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยตัวไกลตัวมันนะเนี่ยไม่ได้ พระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะจะรู้ไปพระองค์ก็สอนไปเราก็มีหน้าที่ในการควงในการเอามาคิดในการปฏิบัติอแล้วก็สลัดทิ้งไปนี่แต่แลมก็เหลือแต่จิตว่างะจิตว่างไอ้สิ่งทั้งควงภายนอกมันก็ว่างหมดเพราะเราไม่ยึดมันม่นถือมั่นไว้่งภายนอกก็ว่างไจิตนี่ ก, ก็ว่างนึกจะเอาอะไรทีเนี้ไม่ทุกข์มันก็พอแล้วแต่เราชอบทุกข์นี่ เรชอบทุกข์มันก็อยู่กับทุกข์นก็เอาเลยนั่นอยู่กับทุกข์ก็เอาเลยทุกนิดทุกหนทุกอดแอดแอดทุกมันเรื่อยทั้งวันเนี่ยไม่รู้จักปล่อยวางแต่นั้นเรารู้จักทุกโดยการศึกษาทุกขแล้วก็ปล่รยวางทุกโดยการปฏิบัติตามมาที่ถูกต้องคืออริยมรรคม่องแปรนี่แหละเอาไปปฏิบัติกัน อที่นี่ก็เป็นเรเจบในวันนี้วันละนิดวันละหน่อย